การฟังธรรมะก็เมืนมีอะไรเป็นท้องใหม่ผูดเป็นแดงกับคนเก่าฟังคนเก่ามนีอะไรใหม่ขึ้นฟังกหูฟังูดแดงกปากพูดากเื่อก่อใหม่มันจะเกิดขึ้นมีขึ้นพงลงองเก่า ควาเป็นมาของท้อเก่าเจ็บแสบเจ็บตายท้อ o เก่ามีอะไรใหม่เห็นหมดเป็นท้องเก่าเื่อไม่อยากกระดับรับจังไม่อยากทำอยากทำ้างท้งใหม่อยากทำีใหม่เป็นเรื่องขใจิดเห็นล้วทานอาหารแล้วก็ทานลงในมวา ทานลงไปนี่ร้สึกหายทีเราจะเปลี่ยนที่ใหม่ทานไปคจะมุกลองดูมันจะเป็นอย่างไรหรือจะเอาเข่าทางตาทางหูอย enfin, ่างนี้ม응ันจะเป็นประโยชน์ไหมมันจะได้ประโยชน์หรือการหายใจตรงนั้นกันเราเติมคุจะมูกเรานี้หายใจมาหลายทีเราจะเปลี่ยนทางหายใจใหม่ปิดจมูกปิดปาเอาไว้ แต่หายใจทางตาทางหอมันก็นัวางเร็จประโยชน์อาจจะเป็นโทษถึงตายราะฉะนั้นาาาาการทำการธรรมะเหมือนกันที่ารณาธรรมะเหมือนกันเจรณาของเก่าของจิตของเราเนี่ยยังลุ่มยังหลงอยูงง่ิจรณาดูเจริญด้ยเห็นรู้เห็น ogen, เด่นชับไน้สิงจิ่จิตสัมผัสิตจิตคล้อง เหมือนกันกับทานอาหารทานลงไปที่ปากของเก่าอตไวลาล่าอย่าลางใจควรจะส บ, บายหรือเปิดโตกิคตามเลือกที่มันจ ะ, จะเรียการที่จะนากับพนองเดียวกันอยากไปพิสว่าเราเคยที่จะนามาแล้วเคยทำมาแล้วอย่างนี้เราจะเปลี่ยนที่ทีใหม่เอาแบบใหม่นี่เป็นความใส่ใจจิตของบุคคล เนทุกอย่างเมื่เราพิจามาแล้วร้วนจากของเก่าตรงนั้นโลกอันนี้ผู้หญิงของเก่าผู้ชายของเก่าดินต้าอากาศของเก่าการเดินก็เอาท้าเดินของเก่าไม่ได้เอาหัวเดินหรือขาเดินนะนี่เป็นเดื่องของเก่าความหลุ่มหลงของใจมันยันผิดข้องผิดไหนใ้มันที่ไม่พิจารณา ใรู้ให้สบายใจตามเป็นจริงในสิ่งเหงนั้นจิตก็จะปล่อยว่างลากถอนในความติดล้องตามนี้ให้พิจนาที่าทาาทวาอันนี้เราเคยพิจารณาอันนี้เราเคยทำจะไปทําแบบใหม่เอารูปใหม่เรื่องใหม่ถ่ายยังไม่เข้าถึงเรื่องที่จะควรเปลี่ยนแปลง มันจะต้องทำไปแค่ก่อนการเชงจิตมันเปลี่ยนแปลงไปเองของมันเหมือน ก, นกันกับผลไม้ระยะเกี่ยมันยังน้อยอยู่รสชาติมันเป็นไปอีกอย่างเป็นมะม่วงมีฝาดเกี่ยวนิดหน่อยพอเติบโตมาเกี่ยวมากฝาหายไปนิดหน่อยพอหามา ไปอีกอย่างหนึถูกมารถไปอีกอย่างหนึ่งคือการพิจารณาเหลี่องของจิตกทํานองเดียวกันถ้าตุจิตยังสัมผัสอยู่กับอะไรจะต้องที่นี้พิจารณาอันนั้นจนหมดเรื่องเหล่านั้นมันจะไปอันใหม่เป็นรูปที่เราเคยที่นี้พิจารณาจือเ ค, เคยพิจารณารูปทึ่เป็ น, ปนอุปาหะ น, นิดๆธาตุจิตยังเห็น เป็นอุกคาหาอย่างนั T ้นเด็กจิตยังไมเห็นสปุกคาหก่ตามเพราะความคิดงเด็จิดคงใหรูบว่าสวยแบบแบบมันแบโคงอย่างนั้นอย่างนี้ทาจะให้ที่าชินิพพาาในเรื่องของกายเจะแเ้ไใจที่องิดเนือเนือต่างๆดยอุบาตัญญด้วยธรรมะของพระพุทเจ้า เ่อนพุปัชายะถ่ายสอนเยสาโรมานาสาทันตาเป็นต้นนี่ก็เป็นอุบายที่จะให้คุณระบุตรที่นี้พิเจนาให้ทราบครับต่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างไรกันแน่ในความหมายแก่ใดพิเจนาแก่ออกดูว่าเป็นของสวยงามหรือเป็นของโสโครกพิเจนาตามที่อยู่ที่อาศัย ทำเจริญงองามของมันมันเกิดมาจากอะไรนี่เป็นอุบายปัญญาที่จะต้องทินิขีิแกนา่าให้สะาดสัตย์จนทิงตขาว่าเมืเ่อจิตรู้เห็นเกิดข้าหานิยมว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของปฏิกูณจริงเป็นของหน่ยเสียงจริงเป็นของหน่วยใจตัวตนคนตัดจริงจิตจะต้องถอดถอน ละวางอะไราที่เรสมมุติมั่นหมายว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะรู้จะเข้าใจใส่จิตออาไปจิตไปคล้องมันกลมวไปอีกถ้าเหตุใดเพราะมันศาสตร์ชัดใส่ใจจริงจังจิตไม่เกี่ยวข้องสับลูกกาหนดเข้ากระดับไปหมดไปมันไม่มีมีเนื้อยู่รง ใ, ใจพอจะได้ชีวที่จะไนานนี่หมายถึงว่า อย่างจิตยังพียงพอบริบูรณ์ในการพิจารณารูปแต่มันยังม่เพียงพอบริบูรณ์อย่างนั้นเวลาเราเคยพิจารณามาเคยรู้เห็นเคยเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้แต่จิตยังจิดในสวยในงามในขีดในขีดเลยยังหลงยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้โดยไม่เข้าใจตามเป็นจริงของมันนั่นคือจิตยังไม่พอในรูปแต่ต้องพิจารณารูป พอแล้วมันจะหมดปัญหาเราจะเย็นาอะไรได้อีกเหมือนกันกับไฟถ้าที่เราบันยังอยู่อิ่มได้มันก็จะต้องไหมหรือเหยื่อไปถ้ามันเชื่อมันหมดมันก็ไหมไม่ได้ทานอาหารเหมือนกันเมื่อบันยังไม่อิ่มถึงแม้ว่าเราจะทานมากๆเพราะต้องควรแล้วก็ตามแต่ทานยังไม่อิ่มมันมีอยู่ในรู้ในถานในขันของตัว มันอิ่มแล้วอาหารจะยังเหลืออยู่มันก็ไปทานอีกเพราะมันอีกมเหมนการที่เจนาวนรูปกว่าทานองเดียวกันเพอที่เจนารูปเพียงพอบริบูรณ์มันจะเข้าไปหาเลยอชนะความสุกทุกเฉยจิตมันจะต้องไปตามเรื่องสัมผัสของจิเหมือนเช่นกับไฟเชื่อมัอยู่ที่ใดมันก็จะต้องไหม้ต้องเผาไปที่นั้น การพิจารณาธรรมก็คือพิจารณากายใจของตัวเพราะความหลงส่วนใหญ่ความยึดส่วนใหญ่ยึดเรื่องกายเรื่องใจไม่ได้ยึดเรื่องอันอื่นสมบัติทสถานเข่าของเงินทองต่างๆก็เพราะเรามีกายมี ใ, ใ, น ใ, นใจอยู่เราชิงอยากได้เราจึงหามาที่อยู่ที่อาศัยปลูกสร้างใหญ่โตขนาดไหนก็เป็นที่อยู่ของกายของใจถ้าหากอย่างนี้ ใหญมีแต่ตายก็ไม่มีความหมายอะไรเป็นคนตายเป็นต้นจะไปโยนไปกองไฟเรือไปทิ้ลงน้ำไปฝังไปเผาที่ไหนต่างใจก็ไม่รู้จับอะไรหามีแต่ตายเลยถ่ายเดียวเมื่อมีตายแล้วใจอยู่สาหาสจิยังไม่รู้ไม่เข้าใจตามจริงจริงจริงองอี่เจรนาหามงินเหตด แนอนุโมทัมันเห็นตามเป็นจริงถ้ามันเห็นเด่นชัดตามเป็นจริงแล้วรูป ก, กับัตว์ตัวรูปอยู่กับสัตว์ตัวอยู่ไม่มีอะไรที่ใจเย็ดมัน่นสังขัรหมายม่ปิดไม่คล้อในความเป็นอยู่ด้วยความตายไปเพราะความบริสุทธิ์ของใจไม่ใช่รูปไม่ใช่นามส่วนนี้ผู้ปฏิบัติ จะรู้จะเข้าใจเด่นชัดในตัวเองไม่ต้องมีขอ้อสงสัยว่ามี่จิตนี่ถูกอย่างไรเพราะการปฏิบัติรู้เข้าใจในตัวเองคนเห็นโดยตัวเองก็ไม่มีการสงสัยว่าสิ่งนั้นมันเป็นอย่างไรเพราะตาเราดูรู้ทุกสิ่งทุกส่วนเข้าใจทุกสิ่งทุกส่วนเห็นถนาดชัดเจนล้วจะไป้สงสัยอะไร มีการจะทำทำบำเพ็ญทางจิตทางใจที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำตัวอย่างจะให้พวกเราทุกคนรู้จักเห็นจริงในอริยสัจที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นหนักเอาไว้่เป็นทางทปฏิบัติให้รู้ให้ขอาใจคาดเกนทํทำปล่อยวางท้องใจเป็นอย่างไรนั้น ความพ้นจากทุกข์เป็นอย่างไรนั้นมันเป็นเรื่องสําคัญหากบำรุงการที่นิ้ที่แจนะบำรุงรักษาสติปัญญาใส่ควรกายใจอยู่เรื่อยๆความเจริญของใจจะเจริญขึ้นจนถึงที่สุดหมดทางที่ปฏิบัติต่อไปคือใจที่หันบริสุทธ์มาอยู่ในวงสมมุติมาอยู่ในความ ลงรวมในอยู่ในความสงบธรรมดาของขอบเขตสมาธิการที่แจนไม่ต่อไปหาที่อื่นเพราะเราทุกคนสมบูรณ์รด้วยธรรมเจอรู้ว่าธรรมสมบูรณ์ในบกช่องตาหูจมูกลิน้ในกายใจมีสมบูรณ์เอาไ ว, ว้ยาส่วนเป็นหญิงก็สมบูรณ์ในเพศของหญิงเป็นชายก็สมบูรณ์ในเพศของชาย ไม่มีอะไรที่จะถาดตกบกพ้่องแต่คือว่าเป็นคนสมบูรณ์อยู่แล้วขอให้สติสมบูรณ์จิต ใ, ใจไม่คิดติดของอะไรให้มีสถิตามรักษาให้มีปัญญาสมบูรณ์ที่จ ะ, ะรนะโดยความแยบถายในสิ่งนั้นนั้นศึกษาธรรมะก็คือศึกษาตัวของตัวเอง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 มันผ่านมาทำไมปุ่งเฟืงอย่างนั้นอย่างนี้สาเหตุที่มันเป็นมามันมาจากอะไรเหต็จองสื 4, ้น้ิีิตรนาหาสาเหตุของมันเส่วนแก้ไขบำรุงใจที่ดีไม่เสียไปกำจัดความทั่วเสียของใจให้ตกออกทางธรรมะทา่านก็สอน ในการละการบำเพ็ญพอใจยังสิทห้องจึงมีการละพอใจยังไม่สมบูรณ์จึงมีการบำเพ็ญในใจของพวกเราท่านทุกคนที่ยังไม่ถึงผลที่สุดอย่ต้องเป็นอย่างนั้นฉะนั้นการที่นิพิจานาอย่าทิ้งว่อาอันนี้เราเคยนิพพยานาธรรมะส่วนนี้เราเคยสดับรับฟังเราจะไปฟังแบบใหม่อยากไดเข้าใจอย่างนั้น ถ้าพอใจอย่างนั้นจิตใจเขาปลวกเราท่านก็จะงี้หัวนวนปัน่นในนมีอะไรจะเป็นหลักเป็นเกืฑ์ไมนมีอะไรจะเห็นเด่นชัดพิจารณาอยู่ในตัวนี้แหละรู ป, ปรธรรมที่เราจิตข้องขอพิจารณาเดี๋ยสติด้วยวปัญญาพิจารณาดูให้ทีทวนเวลาเด่นตรงโฟม เราจะกำหนดเอาไส่ของเราออกถึงไวผู่กับเอวลักไปก็ได้เพื่อจะให้ใจมันไข่จิตไปในทางราคาตัญหาหรือจะกำหนดตาวขาของเราเหยียบลงไปในแผ่นดินเป็นเกิดยกขึ้นเป็นตายกำหนดอย่างนี้ก็ไม่จิดทำให้จิตไม่เถอะอ ทำให้จิตสงบไมุ่่มเฟือยไในทางตว่ทางเสียต่างๆนี่อุบายปัญญาแ้วแจงจากที่นี้พิจรารณาสอนตัวเวลานั่งมันปวดแฉ่งปวดขากำหนดตัดแข่งขาหรือเอาไวัยวาที่มันปวดแขนเอาไว้นั่งดูมันอยู่นั้นนี่เป็นอุบายที่สอนใจตัวให้รู้ให้เข้าใจ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 เดินเรื่อยไปจนกระทั่งรับตกมืดเป็ น, นาการคืนมามีการเกิดของกายก็ทำนองเดียวกันมันไม่มีความลุ่มหลงกับเรื่องของจิตเราจะบำรุงบำรเลยแต่ทนุถนอมขนาดไหนความแก่ของมันมันจะต้องแก่เลื่อไปไหลทดไปสู่ที่สุด คือความตายเท่า น, นั้ น, จ ะ, mình, น จ, ะ ẻ, จะไปสำคัญหลุ่มหลงขนาดไหนมันจบเป็นไปอย่างนั้นเราจะทำคุณงามความดีตายก็มีอันจะแ่เรื่อยไปเราจะไม่ทำอะไรอยู่เฉยๆตายมันกว่าเป็นอย่างนั้นเราจะทำความชั่วกวเหมือนกันแต่นั้นเรื่องของตายไม่มีการหลงกับเรื่องของเราเรื่องของจิตไปลุ่มไปหลงไปเพลิดไปเพลิน ยังนมอยู่ยังสาวอยู่จิตไปแหน่นู้นแหน่นี้ไม่มีการกาหนดเรื่องของตัวฉะนั้นจิตจึงชั่วจิตจิงเศร้าหมองจิตจิงเพิดเชิญไปตามเรื่องสัญญาอารมณ์ต่างๆโดยมีปัญญาสอนตัวของตัวมาชี้แจงนาว่าไว้ว่ า, าวทุกส่วนในกายมันเป็นอย่างไร ใจมันยังถือยังยึดย่างอื่นเป็นของสําคัญใจจึงไม่ตั้งมัน่นใจจึงลุ่มหลงอย่างที่เรนตันหาจะแก้เท่าขนาดไหนหาเราไม่ชำระตารสางจิตใจแล้วก็ไม่มีวันเบาบางหรือจะแก่ไปต่างจะลุ่มหลงเรื่อยไปเฉื่เชินเรื่อยไปตาหนัดเรื่อยไป หนีใจที่ขาดธรรมะีมิวอยู่ตลอดเวลาตาเห็นลูกอยู่ทุกวันทุกคืนก็ไม่มีการเบื่อไม่มีการพอหูฟังเสียงอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีวันหยิมยังอยากฟังเรื่อยไปเดี่ยวหมูลม่ลมดิ้นดิ้นดิ้รดเส ม, มือนกันมันเป็นไปทํานองนั้นฉะนั้นคนเราจึงยุ่งอยู่ตลอดเวลา แต่เกิดมา่นกระทั่งวันตายพ่อไม่ชำระใจของตัวแต่ชำละใจของตัวแล้วใจหายยุ่งใจหายติดใจหายคิดหายปรุงในทางชั่วทางเสียอยู่อย่างอิสระสะดวกสบายนั่นคือใจที่็นมีมุตหลุดจากสมมติหัวไปไม่ได้ยึดกาะ กับสิ่งใดที่โลกเพราติดข้องคนที่ฝึกอบรมตัวอย่างนั้นมีจํานวนน้อยที่จะเห็นจะเป็นฉะนั้นคนที่ทําได้ฝึกได้เป็นได้อย่างนั้นจึงเป็นอัศริยมนุษย์คือมนุษย์อัศริยชนทั้งสีงตาท่านมีหูท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างของท่านมีเป็นสติหรือเป็นบุรุษ ก็มีสมบูรณ์ในอวียะประเทศต่างๆแต่ท่านก็อยู่ได้สะดวกสบายไม่เพิดเทินไม่หลงไม่เหยือไปตามเรื่องของโลกเพราะอาศัยธรร ม, มะที่ท่านศึกษาอาศัยธรร ม, มะที่ท่านที่นี้พิจารณาจิตของท่านไม่หวั่นไหวไม่ลหลงไหลไปตาม อารมณ์ต่างๆผันจ เ, เป็นผู้ที่น่ากราบน่าไหว้หน่าจัการาบบูชาในเหมือนพวกเราธรรมดาไปเห็นอะไรทีควารักขวรักใช่เสียดเส้นไปเห็นอะไรที่น่าเลียดน่าจังก็เกลียดจังโกรธไม่พอใจในใจที่เป็นแบบนั้น <c oughs> มันมีความสุขที่ไหนโลกอันนี้มันมีอยู่ ยี่ทั่วต่างๆตามสมมติของโลกเราตาเรามีแล้วกว็เห็นหูเรามีแล้วกว็ได้ยินแต่ความติดของของใจมันติดกันูุทีมีธรรมะตะพวนจิตมีธรรมะท่านจึงอยู่สบายจิตปกติสัพูุทสชนธรรมดาจะไปแะ่มาสถานที่ใดก็ไม่มีใครของใจท่านอี เพราะท่านใดสำลักสระเวียดธรมฝึกอบรมตัวข้องตัวให้ดีเด่นเป็นทุขขะโตอยู่สถานที่ใดมีความสุขใจไปสถานที่ใดมีความสุขใจพวกเราทั่วไปมักอยากเป็นทุกขะโตไปสถานที่ใดก็ทุกอยู่สถานที่ใดก็ทุกไปก็ทุกกลับมาก็ทุกอยู่ก็ทุก กินกอทุกนอนก็ทุกเพทุกเรื่องของใจใจึงควรชำระใจึงควรสะสางดสติดปัญญาดธรรมะของพระมีอะไรที่จะเป็นิเป็นายใทุกยิ่งกว่าเรื่องของใจหากเราไปคิดเร่องอื่น เป็นสองสำคัญกว่าเรื่องของใจแล้วก็จะไม่มีทางแก้ไขใจของตัวเองจะไม่เย็นสุขอันเปิดเสดเลื่อนลอยเพราะความสุขจะเอาลุ่มหลงเป็นความสุขปอมเป็นความสุขนิดหน่อยเล็กน้อยเมื่อพอใจชอบใจก็สุขเมื่อไม่ชอบใจก็เกิดทุกข์ทับถเข้าเกิดไปจากใจอันเดียว ถ้าสำราญใจให้บริสุทธิ์เป็นมิมุตจริงจังอาการเหล่านี้จะไม่มีว่าวันนี้ทํำไมเป็นอย่างนี้เห็นอันนี้ทําไมคิดแบบนี้ไม่มีสําหรับผู้บริสุทธิ์เป็นมิมุตจริงจังความบริสุทธิ์จะนั่งก่อต้านจะยืนก่อต้านจะเดินจะนอนก่อตานบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นจะตายงงตายา่ะท่านก็ไม มีอะไรที่จะเสียไปตามลมป่าของโลกผันบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาไม่มีการเข้าการออกการฝึกการอบรมอีกถ้หาหักรู้เห็นเป็นจริงแล้วหายสงสัยแต่ที่ทำอย่างพระพุทธเจ้าเข่านิโรธสมาบัติเข้าสมาธินี้เดินจงกลม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 เหสื่อมโยงกันอยู่ถึงในบริหารมันเหมือนกันกับเรานั่งรถนั่งเรือถึงเราไม่ใช่รถไม่ใช่เรือเป็นคนต่างหากกว่าตามแต่ถ้ารถเรือมันถูกถนนไม่ดีนรเรือมันติดขึ้นคนที่นั่งอยู่นั้นก็ประโยชน์เหยียดไปต่ามมันเป็นทํานองนั้นแต่คนไม่ใช่เรือเรือไม่ใช่คนทันตับ ดีในตัวของฉันนี่เรื่องอาศัยถาดขันยิ่งมีการบริหารทางศาสนาจึงเชื่อว่ายี่ห้าละทำต้องรู้จักประมาณต้องรู้จักบริหารต้องรู้จักทำให้พ่อเหมาะพอดีมาอย่างนั้นทุกของถาดของขันจะเกิดขึ้ น, นืเวลายังอยู่ในถาดในขัน แต่พวกเราท่านไม่สาบว่าอะไรเป็นถาดเป็นขันอะไรเป็นจิตเป็นใจมันทักเข้ า, ขากันหมดเพราะไม่เคยเคลีลรในไม่เคยแยกส่วนไม่เคยมองเข้ามาภายในตัวไม่เคยมองออกไปข้างนอกเหมือนคนวิ่งไหลเงาวิ่งไปเท่าไรเงาก็วิ่งไปเลื่อยเพรเลยไม่มีเวลาทันจิตใจของพวกเราท่านที่วิ่งออกไปทางนอกก็ทำนองเดียวกัน แต่นั้นจริงต้องวกเ ข, ข้ามาภายในให้เป็นโอปัญิโกน้อมสิ่งต่างๆมาที่นิพพานาเป็นจิตใจได้รับอาจทมจากที่ได้เห็นได้ฟังต่างๆถ้าจิตใจเป็นธรรมจิตใจใครธรรมตาดูหูได้ยินล้วนแต่ธรรมทางนั้นเห็นอะไร ที่พิจารณามาสอนใจตัวเองไม่ลุ่มหลงเผิดเพินหรือดูดาย้าใจสี่ใครทำอยู่แล้วมีหลักทำอยู่แล้วเห็นต้นมไม้ใบหญ้าเห็นอะไรทั่วไปนำมาที่พิจารณาให้เกิดสติให้เกิดปัญญาให้เกิดวิชา ความรู้ต่างๆจากตาได้ดูหูได้ฟังนีู่ือสิ่งที่ทำไม่อดไม่จนเรื่องของธรรมเพราะรูปกว่ธรรมมีอยู่ทั้งสววเองอืูภายในทั้งส่วนภายนอกมีส่ต้นไม้ภูเขาหรือสินต่างๆอยู่เป็นรูปหรือว่าเป็นธรรมนำที่นี้ไปเรณาสรุป รวมลงสู่ใจรัเกเพือ่อนิจจังทุกขังอนาศาศาัตตาด้วยกันทางนั้นเมื่อจิตเป็นธรรมจึงไม่อดสนจะไปสถ า, านที่ใดตาไดาดูหูใดฟังนี่แต่ธรรมทางนั้นความคิดปรุงของใจก็เป็นธรรมมันคิดอะไรปรุงอะไรฐานีสติมีธรรมะในใจ อะไรมีแต่ธรรมเป็นคนจนสติเจนปัญญาไม่มีหลักธรรมในตัวจะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าหรือแบบตำหลับตำลาคาทีส่วมที่สาไปก็ไม่เห็นธรรมขอใจไม่เป็นธรรม ดังนั้นจึงฝึกใจของตนให้เป็นธรรมฝึกใจของตนให้เย็นโลกอันนี้จะเย็นฝึกใจของตนให้สุขโลกอันนี้จะสุขฝึดใจของตนให้สงบโลกอันนี้ก็จะสงบหาต่างคนต่างฝึกฝนอบรมตนอย่างนั้นมีธรรมะทุกท่านระจาตัวแล้วโลกมันสงบ แต่นี้มันเป็นไปไหนไดน้พระพุทธเจ้านุ่งมันในการสร้างบารมีจะลื้อถอนสารโลกให้พ้นจ่าทุกแต่ก็ลื้อถอนไปได้เฉพาะที่อยู่ในข่ายยังเหลือหรอหลอดตาข่ายของพระพุทธเจ้ามาพวกพวกเราที่นั่งเต้ากันอยู่เดี๋ยวนี้มีเพี่อหลอดตาข่ายมาและสัตว์ทั่วไปที่ยังมีมจิตใจบริสุทธ พวกเราตาข่ายที่พระพุทธเจ้าลือขนไปไม่ได้จงมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะมาตัดทะลุอีกเพื่อลื้อขนกัดโลกเรื่อยๆมาแต่พวกเราไม่รู้ไม่เข้าใจบอกพระพุทธบพระพุทธเจ้าจะไม่มีกี่องค์ความจริงปรินิาทานไปแล้วนับไม่ได้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 พระพุทธเจ้า ก, ก็คือคนรู้ทางรู้แผนที่พระท่านสั่งสรา ง, งบาราีมานมนานคนปัจจุบันทุกวันนี้โดยส่วนใหญ่ทำอะไรไปว่าทางรักษาศีลหรือเจริญภาวนาก็ปรารถนาอยากจะพบพระีอริยเนตรตในอนาคตที่จะมาตัดถ้าพบท่าน อย่างความขาดหมายเอาไว้เราไม่ทำอะไรท่านก็ไม่มีการจะทำให้ท่านรู้ท่านเข้าใจท่านมาแนะนอนพวกเราแต่เราไม่สนใจที่จะปรเพื่อปฏิบัติแก้ไข า, ายใจทองตัวปกห้องเก่าพระพุทธเจ้าจสมณะโคโดมปริณิพานไปตั้งสองพันห้าร้อยกว่าปีก่อนจะปริณิพานท่านตาดเอาไว้ ทำวินัยเป็นศาสดาแทนเราตถาคตอย่าเสียใจอย่าน้อยใจว่าเกิดใหม่ไม่ทันองค์ตถาคตขอให้ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาทำวินัยตั้งใจปฏิบัติการจัดชั่วบําเพ็ญดีเถอะมรรคผลจะเป็นสมบัติของพวกท่นานพระพุทธองค์ยังกล่าวว่าอาการยิ่โก พระพุทธเจ้ายัางอยู่หรือพระพุทธเจ้ากรณนิพพานไปก่อตามไม่ว่าความชั่วความดีเป็นอาการเ โ, โื่องโคลงสิใจทชั่วใจทำเศร้ามองขุ่นมัวเดือดร้อนวุ่นวายแต่เป็นผลได้รับใจทําดีจะเกิดสติปัญญาวิชาวิมุตติไม่ว่าการใดสมัยใดพระพุทธเจ้ายัางอยู่หรือตอนนี้นิพพานไปแล้ว เป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเราท่านจึงไม่ควรขาดฝันว่าจะคอยพระพุทธเจ้าองค์นั้นคอยพระพุทธเจ้าองค์นี้เที่ยวกอนตั้งหน้าตั้งตาบําบเพ็ญภาวนาชําระวิเลสตัญหาพระพุทธเจ้าจะเกิดมาหรือไปนิพพานไปก็ไม่เป็นปัญหาถ้าหากเราทําอย่างนั้น ความดีชั่วที่เราทำไปจะเป็นสมบัติของตัวเรื่อยไปจนกระทั่งถงึงที่สุดที่มุดแล้วก็จะหายสงสัยวาควรจะทำอย่างไรต่อไปอีกมีหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่สนใจมาเพื่ปฏิบัติไม่ว่าคารวาสหรือเชตุ ส, สามาเนศจึงควรที่นี่พี่แกนาะศึกษาตั้งหน้า เร่งความถาดความเพียนอย่าไปคิดว่าถาดนั้นก่อนฉาดนี้ก่อนถาไปคิดอย่างนั้นก็ม่มีวันเวลาเพราะกิเลสตัณหามันติดตามเราอยู่เสมอจะทำอะไรลงไปนิดๆหน่อยๆมากอยากจะถูกมารกระคิบว่าเอาละขนาดนี้คงควรแล้ว เดินขนาดนี mà, u, oh, ้นั่งขนาดนี้นอนเที่ยกรตื่นนอนทพื่อคอยเอาไม้ตื่นนอนมาดูลนาฬิกายังเดิกอยู่เอาอีกอนตัดตือนเพราะมันยังเดิกอ่ะลมหัวลงไปนอนอีกสายเกืนไปนู้นแหละขันยังขันเสร็จเพื่อคอย ต่างหน้าต่างตาทำพอฉันจังหันเสร็จรู้สึกห่วงเมาห้านอนทับผมนอนเช้าก่อนตอนบ่ายฉค่อยเอามันมันผัดวันประกันพุ่งไปอย่างนั้นสําหรับเรื่องของกิเลสปัญหา ม, ามันมันจะติดใจได้มีวันเวลาเดือนนี้ล่ะเดือนหน้าวันนี้ว่ะวันหน้าปีนี้ว่ะปีหน้าผลดีสุดก็เลยตายไปฝาก เป็นโมฆะบุรุษเป็นโมฆะสติหาสวยงามความดีอะไรติดตัวไม่มีนี่คนผิดขาหมายไปอย่างนั้นมันมีโดยเฉพากับคนที่ว่าที่เทศอยู่เนี้ยมาเป็นอย่างนั้นแต่คนอื่นคงจะดีกันมาอย่างแอบอ้างยังเช้าอยู่สายแล้วนรดึกแล้วนี่เป็นเรื่อง จิตใจใส่ชิดิข้องถ้าทำการจริงจริงจังเชื่อมั่นว่าทุกคนไปถ้าหากเสียสละจะทํทำจริงจังอย่างต่ำจะต้องได้รับความสงบได้รับความสุขความสบายไม่เชื่อฟัง ทางกระซิบของมันมันจะกะซิบขนาดไหนจะไปเชื่อมันไม่เห็นความสุขอัศจรรย์อะไรตายก็ขอให้มันตายไปพอเกิดมาตายอยู่ไปวันนี้อยู่ได้วันหน้ามันก็จะต้องตายตายเดี๋ยวนี้ดีกว่าตายทางหน้าตายด้ยวยการภาวนาดีกว่าตายด้ยวยการเพื่เพลิอนอย่างอื่นคิดอย่างนั้นยอมเสียสละจริงจังมันจะปวดจะเจ็บขนาดไหน ก็มีปัญญาที่ไม่าาพิจารณาคาเจ็บปวดมันมีมาจากอะไรแข่งขาเอาไว้ว่าของเก่าแต่เรายังไม่นั่งทำไมมันไม่เจ็บปวดมาอย่างนี้ความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นมันจะต้องดับเพราะมันได้อีกเหมือนกันไม่ดับเวลายังมีชีวิตอยู่มันก็จะต้องดับเวลาตายแตเรากลัวสิ่งเหล่านี้อยู่เพไม่มีวันเวลาที่จะไ้เจอธรรมะ อันเปรตคิดอย่างนั้นตั้งใจทำกันจริงจังยอมเสียสละชีวิตสู้คนนั้นเชื่อมัน่นว่าจะต่อประสบพบทำแต่การต่อสู้กับเวทนาการต่อสู้กับกิเลสตันหากลับมาอย่างนั้นกับการทำ ง, ง่ายง่ายร่วมสบายจิตกัน อานนี้ส่งเหมือนคนที่ขึ้นเรือทียกตีกับเขาได้ใจชะนะมีความดีใจถต่ตอยกระสอบต่อยต้นกล้วยตอยเงาธรรมดาแล้วไม่ดีใจมันผิดกันความสงบง่ายากับการต่อสู้กับอุปสรรคอันตรายขาดสุดของใจมันยิ เ, เ, เกดประเสริฐกว่ากัน การทำถ้าเสียสละจริงจังอย่างว่าไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องอัศจรรย์ในจิตยังยึดมั่นเกี่ยวข้องกระาัดขันอยู่เมื่อไรเราจะยอมตายเดินอยงนี้การถอยลับจะสู่ตายใช้จิตสู่อย่างนี้และเอาจริงเอาจังจริงจริงแล้วจิตนั้น จะลงได้รวมได้เห็นอศัศจรรย์ได้คนไม่ผ่านการเสียสละจิตจะสงบและงับอยู่บ้างก็ยังไม่ถึงท่ทานที่เกิอดอศัศจรรย์จริงจังครูอาจารย์ที่ท่านได้ทำมามาสอนท่านเคยแถบทุกองคเคยผ่านเคยฝึกทุกมันจะเกิดมาขนาดไหนกำหนดที่เจนา จังอย่างเอาจริงเอาจังมีถอยหลังมีแต่ต่อสู้เอาชีวิตเป็นแดดให้เห็นทุกข์เป็นทุกข์จิตเนรรวมตัวเข้าเจียงจังทุกข์ทีเคยเจ็บปวดรัวร้าวในที่ต่างๆจะหายเหมือนเด็กทิ้ง เพราะจิตรวมไม่ยึดไม่ถือไม่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างนั้นมีสติมีปัญญาจริงจังใครควรที่ะะารณาทุกจะเป็นทุกจิตจะเป็นจิตต่างอันต่างอยู่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันเห็นทุกข์เป็นทุกขจริงผู้ไปเห็นทุกข์ใครจิตไปเห็นก็เห็นอีก มีการฝึกอบรมใจเป็นอย่างนั้นฉะนั้นขอทุกท่านจงมันฝึกอบรมตัวอย่าไปคิอว่าการเกิดการตายเป็นของสบายเป็นของสุขของดีถ้าหากการเกิดการตายเป็นของดีของดีเศษพระพุทธเจ้าท่านมาสอน ว่าชาติสิทุกขา์สาสลาสิทุกข์ขถ้า ม, ามันเป็นทุกข์แต่เราจะเห็นเส้นสุขสนุกสนานมันถูกดีหรือยังร้องไห้หน้าตาไหลจุกเต่าจตเจ่าจุกหัยังเพิดยังเพื่อนยังหยุดยังดียังไม่เ็ดไม่หลบับอยากจะหนีจากเขามันโงกขนาดไหนเป็นถาดของจีเิยตตัญหา ควรศึกษาควรคิดหาทางต่อสู้โดยการสะพึกปฏิบัติเมื่อเราต่อสู้เอาทิงเอาจังแล้วอํานาจของกิเลสตันหาไม่มีกําลังกล้าเหมือนมัดหากอานาจของกิเลสตันหามานั้นทีกล้ากว่าเรื่องของมัดทุกคนจะไม่พ้นไปจากกิเลสตันหาได้ท่านที่ต่อสู้ เอาจริงเอาจังสละตาย่ันขามไปได้่านทึงใดความสุขอันเลิศอันเกิดมาสอนโลกอะไรมันจะตายไปก็ให้มันตายไปของเกิดมาตาอะไรที่เหลืออยู่เราจะเอาอันนั้นเป็นสมบัติของเราถ้าทุกคนใส่คิดติดตามและทำจริงเชื่ออย่างจริงใจว่าธรรมะไม่เป็นเรื่องเหลือวิสัยจะรู้ใจเห็น จะเป็นกันขึ้นเมื่อเห็นรู้ธรรมะมีอยู่ในตัวชั่วดีเหตดต่างๆที่ได้ร่าได้บำเพ็ญเห็นระจากแล้วก็มีทางสงสัยใี่ผิดข้องในการฝึกอบรมธรรมะมาศึกษาก็มีทางแน่สอนเขาได้พอเราเห็นเราเปียนมาก่อนเหมือนคนจี่ เรียนนังสือมาก่อนที่เป็นครูเป็นอาจารย์ของเขาเพราะเราเรียนมาก่อนเข้าใจมาก่อนมาสอนคนที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ใช่สอนคนที่เขารู้เขาเข้าใจดีกว่าเราหร่อขั้นเดียวกับเราสอนคนที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจเท่านั้นที่เขาจะมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนกัน อรหัตอาหารเพียงจังไม่มีการศึกษาจะไม่ศึกษาหาอะไรอีกพอมันถึงสิ่งสวยมุดด้วยกันแล้วท่านก็สอนคนที่ยังจิตคล่องเหมือนพวกเราเราทัานทันพอเรายังจิตคล่องท่านึงสอนเราเป็นนักศึกษาข็ศึกษาคิดวิจารณาท์ทำตามคุณงามคามดีเป็นอย่างไรนั่นไม่มีการงสงสัย เพราะจะรู้จะเห็นเป็นขึ้นจากตัวของตัวเองฉะนั้นขอทุกท่านจงนำธรรมะเสียอธิบายมาไปสะพฤดปฏิบัติสำจัดชั่วบาเพ็ญดีควรจะมีแต่ความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะผมเห็นว่าพอสงควรเป็นเวลาเพราะมีจิเพียงแต่นี้เท่าัง